เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจปฏิกิริยาอย่างแรกเนี่ยของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากจะผลักมันออกไปหรือว่าอยากจะกําจัดมันให้หายไปอย่างเช่นได้นเสียงดังก็อยากจะจัดการกับเสียงนั้นให้มันเงียบอาจจะไปจัดการกับเพิ่นเสียง จะเป็นเสียงมาหา่าจะเป็นเสียงคนพูดคุยเจียงโทรศัพท์มือถือถ้าจัดการให้มันเงียบได้ก็จะทำหรือเวลาได้กลิดเหม็นก็อยากจะดับกลิ่นนั้นเวลาเจอขยะอาจจะเป็นขยะที่อยู่ในมือถุงพลาสติกกล่องนมที่กินหมดแล้ว หรือว่ากระดาษใส่กระดาษแล้วก็จะถึงมาลงข้างทางโยนมันลงแม่น้ำหรือถ้าเผาได้ก็เผาเวลาเจอเชื้อโรคหรือว่าที่ไหนมีเชื้อโรคนี่ก็ถ้าอยู่ใกล้ตัวก็อยากจะกำจัดมันอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาอย่างแรกนะที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ เจออะไรที่ไม่ชอบก็ถ้าผลักมันให้อยู่ห่างได้ก็ทำหรือว่าถ้าจัดการทำให้มันหายไปไยิ่งดีทั้งที่มันมีวิธีอื่นที่อาจจะดีกว่านั้นไม่ต้องกำจัดมันแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์หรืออยู่กับมัน ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อาจจะอาศัยการปรับใจหรือปรับมุมมองอย่างมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนึงขับรถพาลูกชายสองคนเข้ากรุงเทพคนหนึ่งก็ยุสิบสามคนหนึ่งก็9ก้าขวบ เด็กสองคนพี่เป็นผู้ชายในเวลาอยู่ใกล้กันก็จะต้องเล่นกันหยอกกันแย่กันแล้วยิ่งหยอกยิ่งแย่ก็ยิ่งเสียงดังดังจนแม่นี่ซึ่งขับรถอยู่หันมาเอ็ดหันมาดุนะว่าเล่นเสียงดังส่งเสียงดังหยุดส่งเสียงดังได้แล้วลําแม่ลําคาญ เด็กก็เชื่อนะเงียบแต่เงียบไปได้สักพักหนึ่งก็ก็เริ่มหยอกเริ่มแย่กันใหม่แต่ที่จริงก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะก็ยืนหน้าไปบอกแม่ว่าเนี่ยแม่ครับ ลองมองว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกดูสิครับเดี๋ยวแล้วก็หอมแก้มแม่แล้วกลับไปเล่นกันใหม่ไปหยอกกันใหม่เสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนดังเท่าเดิมเนือจะดังกว่าเดิมแต่คราวนี้แม่ไม่หงุดหงิดแล้วเพราะว่าแม่ มองว่าเออมันเป็นเสียงความสุขของลูกนะแล้วความสุขของลูกก็เหมือนกับสวรรค์ของแม่นะเสียงยังดังอยู่นะแต่ว่ากายของแม่ไม่ถุกแล้วเพราะว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกที่แรกเนี่ยนะปฏิกริยาของแม่คือเสียงดังก็ต้องให้เสียงมันเงียบ แต่พอไม่ได้มองว่าเป็นเสียงดังแต่เป็นเสียงสวรรค์ก็สามารถอยู่กับเสียงที่ว่าได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เชื้อโรค ก, ก็เหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันเป็นตัวการทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราไม่มีความรู้พอเรามีความรู้ว่าแบคทีเรียนี่มันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ มัจจะเป็นไอหิวา่าไข้รากศาสตร์ไข้ไอกรนเราก็เริ่มกำจัดมันโดยเพราะเมื่อเรารู้ว่าจะกำจัดมันยังไงเช่นใช้ความร้อนหรือว่าใช้ยาฆ่าเชื้อตอนหลังก็มียาปฏิชีวนะพวกเราก็มนุษย์เราก็คนรขยกันหาทางกำจัด เชื้อโรคด้วยความมั่นใจว่ามันจะหมดไปจากโลกแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใหม่นะหันมาอยู่กับเชื้อโรคโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเดี๋ยวนี้เราก็พบว่านะจริงๆเนี่ย แม้มีเชื้อโรคอยู่ในตัวเราก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องป่วยนะอย่างวัณโรคเนี่ยนะหนึ่งในสามของประชากรโลกเนี่ยมีเชื้อวัณโรคอยู่ในตัวแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะที่จะป่วยเป็นวัณโรคล้มป่วยจนต้องรักษาตัวเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเรา แต่ทําไมเราไม่ล้มป่วยก็เพราะว่าภูมิอง้มการเราเนี่ยสามารถจะเอามันอยู่เอามันอยู่นี่ไม่แปลว่ากำจัดมันนะแต่ว่าสามารถที่จะคุมมันได้ไม่ให้มันกําเริบไม่ให้มันก่อปัญหาหรือยพอยานก็คือว่าอันต่างคนต่างอยู่ เชืโรคก็อยู่ฝ่ายเชื้อโรคเนี่ยส่วนภูมิคุ้มกันก็คอยจับจ้องดูก็ทําให้เราเนี่ยไม่ล้มป่วยถ้าท้องมีเชื้อโรคอยู่ในตัวเราแล้วก็อย่างที่เราเล่นในนี้เราก็เอาเชื้อโรคเนี่ยมาใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันเอามาใช้ประโยชน์ได้เอาเชื้อโรคเนี่ย มาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีการต่างๆปลูกฝีฉีดวัคซีนวัคซีนอันนี้ก็หลากหลายมากนะรวมทั้ง mRNA ั้วันนี้เนี่ยก็เป็นการเอาเชื้อโรคมาใชใ้เกิดประโยชน์เพื่อที่เราจะไม่ล้มป่วยขยะก็เหมือนกันนะขยะเนี่ยไม่เป็นต้องกำจัดมันเพียงแต่วางให้ถูกที่นะมันก็เป็นประโยชน์นะ เป็นปุ๋ยได้ขยะเนี่ยถ้าวางไว้ไม่ถูกที่มันก็เป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญแต่เราไม่จำเป็นต้องกำจัดมันเราก็เอาไปวางไว้เช่นเอาไปวางไว้ในสวนแล้วกลายเป็นปุ๋ยบมรุงดิน ให้เจ็นได้ว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบเนี่ยเราไม่เป็นต้องไปกำจัดมันเราเพียงแต่เกี่ยวข้องกับมันให้ถูกหรือว่ารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งนอกตัวเรานะสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เหมือนกันความคิด ที่ไม่ตั้งใจคิดที่หลวงวอกคำเกว่าใช้คำว่าลักคิดหรือที่หลายคนมองว่าคือความฟุง้งรวมทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศลความหงุดหงิดความรำคาญความโกรธความคับแค้นความขุนเคืองพวกนี้เนี่ย หลายคนพบว่าเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจและบางทีก็ลามไปถึงความทุกข์ในร่างกายและเราก็ส่วนใหญ่ก็คิดแต่ว่าเนี่ยจะหาทางกำจัดมันทำยังไงมันจะให้ไม่ให้มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในใจทำไงจะไม่มีความกรัวเกิดขึ้นในใจที่เรามาปฏิบัติกัน ส่วนใหญ่ก็คิดหรือเชื่อว่าเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะช่วยกาจัดสิ่งนี้ออกไปจากใจได้หรือว่าทำให้มันเหลือน้อยลงทำให้ความคิดทุ่งซ่านเนี่ยมันหมดไปจากใจ ความหงุดหงิดหมดไปจากใจความขุ่นเครื่องหมดไปจากใจจะได้มีความสงบสักทีวิธีคิดแบบนี้บางทีก็สร้างปัญหานะเพราะว่ามันเป็นความประสงค์เป็นความคาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่ายังไงอ่นะ มันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้นะในความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์อกุศลต่างๆที่เราไม่ชอบเนี่ยจะกําจัดมันให้หมดไปจากใจนี่เป็นไปไม่ได้มันก็ช่วโรคเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่าเนี่ยจะกําจัดช่วยโรคให้หมดไปจากโลคนี้เป็นไปไม่ได้หรือไม่แต่จะกาจัดให้มันหายไปจากร่างกายเราก็เป็นไปไม่ได้ สิ่งเดียวที่เราทำได้คืออยู่กับมันอย่างสันติหรือว่าอยู่กับมันด้วยการไม่ไม่ปล่อยให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายของเราในความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดและที่เราเรียกว่าความฟุง้งซ่านหรืออารมณ์ อ, อกุศลก็เหมือนกันอย่าไปคาดหวังว่า การปฏิบัติธรรมจะทำให้มันหมดไปจากใจเกิดความสงบแบบราบคาบนะมาแทนที่มันเป็นไปไม่ได้และขืนทำอย่างนั้นหรือพยายามทำเราก็จะเกิดทุกข์มากขึ้นเพราะว่าพอมันไม่ไม่มันไม่เป็นไปพอความเป็นจริงไม่เป็นไปไม่ตรงตามความคาดหวังก็จะทุกข์นะ อย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็นเป็นทุกข์คนที่เขาไม่ได้คิดจะให้ความฟุ้งซ่านหมดไปจากใจพอมันเกิดขึ้นเขาก็ไ่ทุกข์นะตรงข้ามเนี่ยพอปรารถนาอยากจะใ ห, หม้มันหมดไปจากใจแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยทุกข์เลยนะเพราะว่ามันไม่เป็นไปดั่งใจไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง แทนที่เราจะคิดหาทางกําจัดมันหรือว่าทำให้มันหมดไปจากใจเสร็จแล้วก็เครียดเสร็จแล้วก็หงุดหงิดเสร็จแล้วก็ผิดหวังจนท้อจนหน้ามืดจนปวดหัวมีอาการสารพัดบางคนก็โตแข็งยกมือสร้างจังหวะมือก็ค้างไอ้แบบนี้นี่มีมีอยู่นะ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากความคาดหวังว่าจะให้ความคิดมันหายไปพอคาดอาอานี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดมีการจ้องเพ่งเพื่อตบบความคิดหรือพยายามบั ง, บงคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตให้สงบให้นิ่งซึ่ง ทำไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยนี่ก็สำหรับผู้ปฏิบัติที่เพิ่งมาปฏิบัติแต่สิ่งที่เราทำได้และควรทำคือว่าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ไอ้ความคิดฟุ้งซ่านความอารมณ์หงุดหงิดลำคันใจคุนเครื่องใจ แต่ว่าไม่ปล่อยให้มันมารบกวนจิตใจเราอันนี้ทำได้เหมือนกับที่ภูมิคุ้มการร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมไม่ให้เชื้อโรคมากำเริบสร้างความทุกข์ให้กับปอหรืออวัยวะของเราไอความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า เกิดแล้วเนี่ยใจเราจะเป็นทุกข์นะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทันมันมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้มีความคิดเกิดขึ้นแต่เห็นมันทักท่วงมันวางระยะห่างจากมันเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะหลงเข้าไป ในความคิดหรือปล่อยให้ความคิดนั้นนะมันมาเป็นนายเรานะเข้ามาบงการนะจิตใจของเราถ้าออว่าเห็นมันรู้ทันวางระยะห่างจากมันมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้อารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์หงุดหงิดหัวเสียโกรธ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นทุกข์ทันทีนะถ้าเห็นมันไม่เข้าไปผักสายหรือไม่เข้าไปหลงอยู่ในอารมณ์นั้นนะู้ง่ายๆคือไม่เข้าไปเป็นนะเห็นความโกรธแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธมันก็ไม่ทุกข์นะ ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทุกทันทีมันก็เหมือนกับกองไฟเนี่ยแม้จะเป็นกองไฟกองใหญ่แต่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ใกล้มันหรือไม่โจรลงไปในกองไฟนะั้นเราก็ไม่ทุกไม่ถูกไฟแผดเผาเพอถ้าเราอยู่ห่างๆมันนะห่างเท่าไหร่ไอความทุกข์ก็ยิ่งลดลง ไฟที่ว่านีอาจจะหมายถึงไฟโทสะนะถ้าใจเราเนี่ยไปอยู่ห่างจากไฟนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเวลาเรามีความโกรธแล้วรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกว่าเข้าไปเป็นผู้โกรธแล้วแต่สติไม่ช่วยทำให้ใจเนี่ยออกมาจากความโกรธ ออกมาเห็นไม่ข้อปเป็นมันก็ไม่ทุกนะหรือเหมือนกับมีเศษแก้วมีใบมีดใบมีดโกนเนี่ยอยู่ในมือมันไม่ใช่ว่าเราจะทุกทันทีนะเมื่อมีเศษแก้วตะปูหรือใบมีดโกนอยู่ในมือ ถ้ามันวางอยู่ในมือเราเนี่ยเราไม่ทุกข์หรอกไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าเราไปกรรมมันไปบีบมันเนี่ยอันนี้สิ่งเจ็บเพียงแค่มันอยู่ในมือเราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่เจ็บไม่มีแผลแต่ถ้าเราไปกรรไปบีบมันเมื่อไหร่เนี่ยแหละนี่แหล ะ, ละทุกข์เลยบาดแผลเกิดขึ้นอารมณ์อกุศลความโกรธนะพวกนี้เนี่ยความคิดพุ่งซ่าเนี่ยมันเกิดขึ้น ไม่ได้แปลว่าเราจะทุกข์ขอเพียงแต่เรารู้ทันมันเห็นมันไม่เข้าไปผักสายแล้วก็ไม่ไหลาตามมันในเวลาเราปฏิบัติเนี่ยอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาอย่าไปไลบ่บีความคิดหรือว่าอารมณ์ต่างๆให้มันหายไปจากใจให้ทำสบายๆมันเกิดขึ้นก็แค่รู้ ใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกนะจม้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์แต่ต่อไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้จะคิดไปเจ็ดแเรื่องหรือ10เรื่องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะรู้รู้รู้ว่าอะไรูร้ว่าเผลอรู้ว่าหลงนะรู้ว่าหลงดีๆนะเพราะว่าถ้ารู้ บ, บ่อยๆเนี่ย เราจะรู้ได้ไวขึ้นแล้วเราจะรู้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อหลงถ้าไม่หลงจะรู้ได้ไงว่าหลงนั่นที่เราฝึกมาเพื่อให้รู้ว่าหลงไม่ว่าลงคิดหลงปรุงอารมณ์ขึ้นมาการปฏิบัติเรื่อก็เพื่อสร้างโอกาสให้มันรู้ บ, บ่อยๆรู้ที่ว่านี่คือรู้ว่าหลง เพระนั้นต้องยอมให้ความหลงเกิดขึ้นมันจึงจะรู้ตามมางั้นอย่าไปรังเกียจความหลงยอมให้มันหลงเพื่อที่มันจะได้รู้แล้พะพอรู้ว่าหลงบ่อยๆรู้หลงบ่อยๆมันจะรู้ได้เร็วก็ ร, รู้ได้เร็วขึ้นแล้วหลงพ่อเทือนท่านยัสอนว่าอย่าไปห้ามคิดนะมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันให้มารู้ ว่ามีความคิดหรือหลงคิดเกิดขึ้นดันั้นจะพูดง่ายๆเลยคือว่าท่านยึงบอกว่าเนี่ยยิ่งหลงหรือยิ่งคิดก็ยิ่งรู้จอนะแลกอาจจะรู้ทันช้าหรือเรื่อยแค่สิบอซคิดไปสิบเรื่องจึงค่อยมารู้เรื่องที่สิบอีกเก้าเรื่องเนี่ยไม่รู้เลยนะอันนี้เรียกว่า รู้แค่10บเปอตแต่ต่อไปเนี่ยมันจะรู้ได้เร็วขึ้นรู้ได้เยอะขึ้นคิดไปได้สมเรื่องก็รู้แล้วรู้เรื่องที่สามคือเรื่องสุดท้ายแล้วก็กลับมารู้เน้อรู้ตัวอันนี้ก็เรียกว่ารู้จากส0ก็เป็น30เซต์อนหลังเนี่ยรู้คิดไปได้สองเผยคิดไปได้2เรื่องก็รู้แล้วรู้เรื่องที่สองไอ้เรื่องแรงไม่รู้ อันนี้ก็เรียกว่ารู้ 50% ซตอนหลังเนี่ยแค่คิดเรื่องเดียวไม่ทันจบแล้วก็รู้แล้วอันนี้ก็เรียกว่ารู้ร0 0ปเซ์ก็นดหละรู้จากส0เพิ่มเป็นรเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้มันหลงบ่อยๆแล้วก็รู้ทีหลังแต่ว่าทําเรื่อยๆทาเรื่อยๆมันก็จะรู้ได้เร็วขึ้น อันนี้เรียกว่าทีแรกเอาปริมาณไว้ก่อนตอนหลังจึงค่อยยกระดับเป็นคุณภาพเฉะนั้นปฏิบัติแบบนี้เนี่ยอย่าไปกลัวหลงอย่าไปกลัวหลงบางคนกลัวหลงมากเลยนะก็เลยพยายามไปบังคับจิตไปจ้องดูจิตอย่าไปกลัวหลงเหมือนกับถ้าเราจะขี่จั ก, กรยาน ขี่ไม่เป็นจะฝึกขี่อย่ากลัวล้มนะถ้ากลัวล้มเนี่ยมันจะขี่ไม่เป็นบางคนกลัวล้มนะต้องเอาล้อสองล้อมายันไว้ที่ล้อหลังจะได้ไม่ล้มไงมันไม่ล้มก็จริงนะแต่ว่ามันขี่ไม่เป็นถอดสองล้อเล็กออกเมื่อไหร่ก็ล้มเมื่อนั้นจะขี่จักรยานเป็นมันก็ต้องไม่กลัวล้ม เหมือนกันนะจะผู้ภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยต้องไม่กลัวผิดคนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น10ปีแต่พูดไม่ได้เลยแอนดรูวิคเนี่ยแกเป็นฝรั่งนะสอนภาษาอังกฤษแก ต, ต้องข้อสังเกตว่าคนไทยเนี่ยที่เรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ก้าวหน้าเลยเนี่ยเพราะกลัวผิดจึงไม่กล้าพูดกลัวผิด grammar กลัวผิด tense นะ เลยไม่กล้าพูดเพราะไม่กล้าพูดกันเลยพูดไม่เป็นแต่ยาที่บางคนเนี่ยเขาไม่กลัวผิดนะไม่มีหน่ายต้องรักษานะไม่กลัวเสียเซพูดตะบันไปเลยนะไอคนแบบนี้เนี่ยคนที่กล้าพูดโดยไม่กลัวผิดเนี่ยนะจะเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วที่จริงแอนดรูบิก๊กเนี่ยเขาพูดภาษาไทยได้คล่องเพราะเขาไม่กลัวผิด พูดเลื่อยเปื่อยผิดก็มีคนแก้เอาผิดเป็นครูก็เลยพูดภาษาไทยเนี่ยได้เร็วและสำเนียงก็ได้ถ้าฉันนั้นก็ฉันนั้นนะถ้าเราปฏิบัติเนี่ยแล้วเรากลัวหลงเนี่ยนะเราก็จะปฏิบัติได้ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหลงบางคนเนี่ยกลัวหลงก็จะต้องหาทางพุ่งเพ่ง เอาจิตไปเพ่งที่เท้าเอาจิตไปเพ่งที่มือมันจะได้ไม่หลงมันจะได้ไม่ฟุ้งบางทีไม่พอนะมีคำบริกรรมอีกนะมีการนับทั้งหมดเนี่ยเป็นท้อกลัวหลงกลัวฟุ้งมันเหมือนกับเวลาจะข้ามท้องร่องสมัยก่อนข้ามท้องร่องในสวนเนี่ยเขาใช้ไม้ไผ่แค่ลำเดียว บางคนกลัวตกต้องมีต้องมีราวเอาไว้จับถ้าไม่มีราวจับนี่มีแต่ไม้ลาไม้ไผ่ล้วนๆนี่ไม่กล้าเดินเพราะกลัวตกการไปบาไปลงบะเทียนนี่นะมันคือการเปรียเมื่าการข้ามท้องรองด้วยลําไม้ไผ่โดยที่ไม่มีราวเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยพอข้ามก็ไม่ทันไม่ทันถึงถึงท้องรองนะ ข้ามไม่ทันได้เนี่ยก็ตกแล้วแต่ถ้าไม่ท้อขึ้นมาใหม่เดินข้ามอีกแล้วก็ตกอีกไม่เป็นไรนะเดินข้าม บ, าบา่อยๆเดี๋ยวก็ข้ามท้องรองด้วยลําไม้ไผ่โดยที่ไม่มีราวใการปฏิบัติเนี่ยบางคนหวังพึ่งราวนะก็คือคำบริกรรมนะคือการเพ่ง คือการนับต้องมีราวเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ตกแต่ถ้าเราไม่กลัวตกนะเดินไปเลยนะมันจะตกก็ช่างมันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เดีสุดท้ายก็ก็เดินข้ามท้องรองด้วยลาไม้ไผ่โดยที่ไม่ต้องมีราวนะมันเป็นความชนานาญมันเกิดจากช่วงบงบินมาเกิดจากการทำบ่อยๆเหมือนขี่จักรยานเนี่ยนะถ้าไม่กลัวล้มสุดท้ายก็ ขี่ได้คล่องแต่ถ้ากลัวล้มต้องมีคนประคองต้องมีล้อสองล้อมาคอยยันไว้ที่ล้อหลังไม่ล้มก็จริงนะแต่ว่าขี่ไม่เป็นหรือขี่ได้ช้านั้นการปฏิบัติแบบนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวหลงอย่าไปกลัวฟุ้งนะอนุ ญ, ญาตหรือให้โอกาสสติได้ทํางานแล้วก็จะมีสติรู้ทันและเกิดความสุขตัวได้เร็ว เลอแบบที่เรียกว่าไม่สันตั้งตัวเลยไม่คาดคิด